พรรษาทุชนวตวริท่านหลายวันที่วันที่2ี่สิบสองสหาคมสองพันห <c oughs> <c oughs> <pad> ้าร wow ้อยสสิบห้าก็มาคุยกันเรื่องกฎของกรรมไอ้คำว่ากรรมในบรรดาานหลายแปลว่าทรมันมีสองอย่างกรรมคือกรรมดีกับกรรมชั่วถ้าใจแล้วถ้าเราทำกรรมชั่วก็มีผลเป็นทุกข์ ทำกรรมดีก็ไม่ผลไม่สุขท่า น, นี้บางท่านมาบอกว่าก็มีบางท่านบอกว่าตายแล้วมีสภาพโสน เ, เรื่องนี้ธรรมมาก็ไม่เถียงเพราะว่าถ้าเถียงไปก็ไม่เกิดประโยชน์ก็สุดล้าแต่ใครจะมีความเห็นแต่ว่าพระพุทธเจ้าบอกไม่โสน อย่างในเรื่องโทษชาติพระเจ้าบอกว่าท่านตัดมาแล้วสิบชาติเกิดมาแล้วสิบชาติถอยหลังเป็นหลายร้อยชาติหลายพันชาติหลายแสนชาติท่านก็เกิดมาเรื่อยๆก็มีคนกันเลยตายแล้วเกิดเกิแล้วก็ตายพระเจ้าไว้อย่างนั้นพระเจ้าจะบอกว่าตายแล้วไม่สภาพไม่ศูนย์มันต้องเป็นไปตามกฏของกรรมทํากรรมดีกรรมดีให้ผลไปเป็นสุข ทำการชั่วกรรมชั่วให้ผลไปเป็นทุกข์ถ้าที่มีคนท่านมาแยง้งท่านจดหมายมาบ้างท่านมาพูดบ้างวราคณาจารย์บางท่านบอกตายเราโศนเบา ท, ท่าท่งเถื่ออย่าไปคิดว่าท่านผิดหรือท่านถูกต้องใครคิดยังไงก็เป็นไปตามนั้นอาตมาก็คิดเขาคิดตามพระพุทธเจ้าพระเป็นสาวกของท่านบวชมาในพระพุทธศาสนา เราเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงพระเจ้ามีความรู้จริงสงเคราะคนได้จริงเราเชื่อในเมื่อเราเชื่อแล้วเราก็ใช้ปัญญาดูว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดก็ลองศึกษาธรรมวินัยแค่แรกก็ศึกษาเฉพาะหนังสือก่อนก็สงสัยสงสัยตอนทำหนึ่งที่มีความสงสัยยิ่มากที่พระเจ้าตรัว่าตัดว่า พระเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมดองพาปปาปัจจการนังจงแนะนงนะนำให้คนทาําแต่ความดีทุกอย่างขอใครนะนำให้ทุกคนเว้นเว้นจากความชั่วทุกอย่างกฎสรศูวะสมุทาแนะนำให้คนทาําแต่ความดีพระจิตตประโยช น, น์ปัญนังทำจิตใจผ่องใสใจกิเลสเอตังพุทธานศาสานังพระเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันหมด ในตำราเรียนเขาบอกว่านิพพานศูนยถ้า น, นิพพานศู น, นจริงๆพระพุทธเจ้าจะรู้ได้ยังไงพระพุทธเจ้าทุกองค์ตัดอย่างนี้เหมือนกันพระองค์ก่อนตัดอะไรบ้างอย่างยกตัวอย่างท่านบอกพระพุทธเจ้าศตัดอย่างนี้คนทําบุญถ้าไม่ชักชวนคนอื่นตายแล้วจะเป็นคนมีเกิดใหม่จะมีอิสร์มากคือเป็นคนรวยมาก ถ้าไม่มีพวกพ้องแต่คนที่ไม่ทำบุญด้วยตนเองจะดีจะชักชวนเขาอย่างทายกตายแล้วเป็นคนจนจะมีพวกพ้องมากคนที่ทำบุญเองด้วยกับชักชวนคนอื่นด้วยตายแล้วก็มีทรัพย์มากเป็นคนรวยแล้วก็มีพวกพ้องมากถ้าไม่ชักชวนเขาด้วยไม่ทำบุญเองด้วยอย่างอ น, นันตเศรษฐีตายแล้วเป็นคนจนด้วยจะหาพวกพ้องไม่ได้ <c oughs> ใคคนเมตตาปราณีเป็นองน์พระพุทธเจ้ายืนยันอย่างนี้อาตมาก็คิดว่าถ้าเราจะเรียนแตพียงหนังสืออย่างเดียวก็คงจะมีผลน้อยไม่หมดความสงสัยต้องการค้นคว้าพุทธศาสนาต่อไปเจหันก็หาทางปฏิบัติ คือปฏิบัติจนะปฏิบัติมาแล้วจะเอาแบบจริงจังกันหลักสูตรพุทธศาสนามีเท่าไหร่มีสี่อย่างคือหนึ่งสุขวิปัสสโกสองเตวิชโชสามฉะรพิญโยสี่ปฏิสัมพิทัปโต้ค่อยคอยปฏิบัติมาทุกอย่างตั้งแต่สุขวิปัสสโกขึ้นมาถึงเตวิชโชถึงฉะรพิญโยถึงปฏิสัมพิทัปโต้ ก็ทําได้อย่างเป็ดคําว่าเป็ดเป็ดจะหมายความว่าเป็ดหรไก่เดินได้เป็ดก็เดินได้ไก่เร้าได้เป็ดก็ร้องได้ปลาว่ายน้ําได้เป็ดก็ว่ายน้ําได้นกบินได้เป็ดก็บินได้แต่บินได้ไม่สูงไม่เท่าเขาถึงกรไรก็ดียังพอมีเขาเมื่อยากจะเดินก็เดินได้อยากจะพูดก็พูดได้ อยากจะไหวน้าก็ไหวน้ําได้อยากจะดำน้ําก็ดำน้ําได้เป็ดดำน้ําได้แต่ไม่หมดตัวก็ยังดีกว่าคนที่ไม่ดำน้ําไม่ได้เลยก็รวมความว่าตั้งใจทําทุกอย่างเพื่อตรวจสอบคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผลที่ได้รับก็คือว่าตามพระสูตรก็ดีตามชาติดก็ดี ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้จริงทุกอย่างตายแล้วมีสภาพไม่ศูนย์แต่แถมตัวเองก็เกิดมาตายซะด้วยตายเส้นหลายครั้งถ้าอยากจะทราบประวัติความเป็นจริงในการตายให้ดูหนังสือหลวงพ่อปานในหนังสือประวัติหลงพ่อปานมีอยู่จะเป็นส่วนยอนน่อใช่ครับในหนังสือมโนยุทธิของกับกับข้าพเจ้า อันนี้จะจะรู้วาตายหลายหลายหลายครั้งเมื่อตายทีไรปลายผมมีพบไปที่ไปทุกทีมันมีสภาพไม่สูญมันจะสูญอยู่ตัวเดียวคือร่างกายร่างกายมันจะเน่ามันจะเปื่อยถ้าที่ตายตายอาศัยตายแล้วเกิดวัยก็จึงไม่เน่าไม่เปื <c oughs> ่อยทีนี้เราก็มาคุยกันต่อไปมาคุยเรื่องกฎคุงกรรม วันนี้ก็อย่าคุยเรื่องโพธิราชกุมารโพธิราชกุมาร น, นี่คำว่ากุมาร น, นี่ยังไม่เป็นกษัตริย์หมายความว่าเป็นลูกของกษัตริย์แต่เป็นคนมีนิสัยเสียตรงนี้อย่าทิ้งไว้ก่อนเธอมีเมียมีเมียมาั้นหลายปีแต่ไม่มีลูกก็อยากจะมีลูกมันก็ไม่มี วันหนึ่งมาทราบพระองค์สมเด็จพระพุทธเจ้ามาใกล้ๆสถานที่นั้นจึงส่งคนไปนมนตพระพุทธเจ้า <c oughs> เมื่อคนไปนิมนพระพเจ้าส่งรับแล้วก็สั่งให้ปูผ้าตั้งแต่พระราชฐานตั้งแต่วังที่อยู่มาถึงหน้าประตูวังผู้ว่าขาวแล้วนะจิตคิดในใจว่าถ้าเราจะมีลูกขอยพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์เดินบนผ้าขาว ถ้าเราไม่จะไม่มีลูกก็ขอให้พระพเจ้ากับพระโศกจะไม่ไดือดริ้วว่าขาวที่ปู่ไปเมว่าตอนเชา้าองค์ขึ้นประจอมใจก็ทรงแต่งกระพระอนุอนว่อนันทะดูก่อ น, อนุนจงพระเดียงสงฆ์คือเจ้าในมนพระประกาศพระราบว่าวันนี้ตถาคตจะไปฉันพร้อมกับพระที่ที่วังของโพธิราชบุมาุ เมื่อพระพร้อมแล้วพระนรนก็นําพระพุทธเจ้าก็นําทางมาพอมาถึงประตูวังพระเจ้าบอกพระนนว่าอนันทะดูก่อนอนนรเธอจะให้เขารื้่ผ้าขาวเชี้อตถาคตจะไม่เดินบนผ้าขาวพระนนก็บอกเจ้าที่ให้รื้่ผ้าขาวออกเพราะว่าพระเจ้าจะไม่เดินบนบนผ้าขาวเมื่อเขารื้่ผ้าขาวแล้วองค์ก็เสด็จเข้าไป ถ้ไปโพธิราชภุมิมาก็ถวายพระตาหารถวายถวายนรการเสร็จตามวิธีกรรมนะอนธิบายไปก็ยาวว่าเปล่าเมื่อถวายพระตาหารเสร็จก่อนที่พระเจ้าจะโมทนาเขาจึงเข้าไปกราบเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าว่าทำไมพระองค์ไม่เสด็จเป็นพระขาวพระเจ้าก็ถามว่าก่อนที่จะปูพระขาวแล้วเธอคิดยังไง พนที่ราชกุมารก็บอกว่าเขาพระเจ้าคิดว่าถ้าข้าวพระเจ้าจะมีลูกขอพระองค์กระพระเดินบนวัดป่าขาวถ้าจะไม่มีลูกก็จะไม่เดินบนวัดขาวพระเจ้าก็บอกว่าเพราะเธอจะไม่มีลูกศาสนาโคตรจะไม่เดินเป็นว่าเขาก็เลยถามว่าเพราะอะไรเป็นเหตุพระเจ้าเลยบอกวันมันในสมัยชาติก่อนเธอเป็นคนเห็นแก่ตัว พูดกตรงไปตรงมาเป็นพ่อค้าสำเพาต่อไปเรือแตกก็ขึ้นไ ป, ป็นเกาะไปบนเกาะมันในเมื่อไม่มีอาหารอยากกินมีความหิวก็เห็นลังนกรังหนึ่งมันมีลูกนกอยู่ก็กินลูกนกกินลูกนกเสร็จพอทอดมีไข่ก็กินไข่กินไข่หมด เมื่อไข่หมดแล้วก็ยังหิวอยู่ต่อไปก็กินลูกนกต่อไปก็กินพ่อน ก, กแม่นกพระเจ้าตรัว่าพระธิราจุกมานอาศัยที่เธอไม่เว้นทั้งสามกายคือกินไข่ด้วยกินลูกนกด้วยกินพ่อนกแม่นกด้วยในชาตินี้ทั้งชาติเธอจะไม่มีลูกถ้าเธอจะกินเพพาะไข่นก ไม่กินลูกนกก็ะพอนกแม่นกในสมัยที่เป็นหนุ่มเป็นสาวรุ่นรุ่นเธอจะไม่มีลูกถ้าย่างเขายี่สิบปีเสร็จจะมีลูกถ้าเธอไม่กินถ้าเธอไม่กินลูกนกถ้ากินลูกนกแล้วในเมื่อยายุสามสิบปีเศสร็จจะมีลูกนี่เธอกินทั้งไข่ทั้งลูกนกทั้งทั้งลูกนกกระพอนกแม่นก ชาตินี้ทั้งชาติเธอไม่มีลูกในปฐมวัยก็ไม่มีลูกในปัจจุบมาวัยก็ไม่มีลูกในตอนแก่ก็ไม่มีลูกหาลูกไม่ได้หลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมใจก็ทรงตัดโมทนาเป็นว่าพระเจ้าจูมาในบรรดาท่านหลายเป็นคนที่ใจเหี้ยมมงอิจฉาที่เสียคนให้ความเมตตาปราณี ดูตัวอย่างใช่ก่อนแม้แต่นกเธอก็ไม่เว้นกินไข่ไม่เป็นไรก็กินลูกนกด้วยกินพ่อนกแม่นกด้วยชั้นใดไอ้นิสัยนี่มันละไม่ได้มาชาตินี้ก็เช่นเดียวกันเธอก็ยังมีนิสัยเลวตามนั้นนั่นก็หมายความว่าหลังจากนั้นมา พระธิราชุมานก็ตั้งใจจะสร้างปราสาทสลังหนึ่งถ้ามองดูจากเทือกได้มาใจเห็นว่ามันลอยอ า, ากาศจึงหาช่างมาได้แล้วช่งางก็ลงมือทำงานเธอเธอก็ปรึกษากับเพื่อนบอกบอกเพื่อนบอกว่าถ้าปราสาทนี้เสร็จเราจะขาช่างเสียพอดีเพื่อนที่เป็นเจ้าด้วยกันทราบความนั้น ถ้ามาบอกอนไรช่างเพราะถ้าโพธิราชมาถามจงอย่าบอกว่าเสร็จนะถ้าบอกว่าเสร็จเมื่อไรเธอตายเหมือ น, นั้นตอนนี้พระโพธิราชเป็นคนเห็นแก่ตัว <c oughs> อยากจะดีอยากจะเด่นกว่าคนอื่นแต่ว่าถ้าเธอสร้างปราสาทหลังนี้เสร็จมองจากที่ไกลจะ เ, เห็นว่าเหมือนลอยน้ำนั้นอยู่ในอากาศก็เกรงว่าเธอจะไปสร้างให้คนอื่นอีก ในช่างเราทราบรับทราบต่อมาพระเจ้าจุมาลก็ไปถามเรื่อยช่างเสร็ษฐียังช่างเศรษฐียางช่างก็บอกว่ายังไม่เสร็จต่อมาเมื่อคานเสร็จเรียบร้อยแล้วนายช่างเราคิดว่าถ้าเราบอกว่าเสร็จเราก็ตายจะหาอุบายใหม่จะทำจะทำหงชนจะบอกกับโคะเจ้าจุมาลว่าต้องการตอนนี้ไปต้องการไม้เบาๆ ขอให้คนหาไม้แห้งๆ แ, แล้วเบาๆมาให้ถ้าการทำอย่างนี้เป็นการทำที่ละเอียดอย่างยิ่งขอใยาให้มีคนเข้ามานอกจากข้าวพเจ้าจะบอกต้องการใครพระองค์เองก็จงอยากเข้ามาเพราะว่าเกี่ยวกันใช้สมองมากต้องคิดมากแต่พลาดนิดเดียวจะไม่สำเร็จเขาก็ถามว่าจะทำอะไรบอกจะทำหง เกาะไปบนลังคาเป็นไปเสียที่ก็ไม่มีใครทําได้เลยพอที่ราชกุมารก็ชอบใจสั่งให้เจ้าหน้าที่าหาไม้ที่แห้งๆเบาๆมาให้เขาก็พยายามทําหงวยนต์หงวยนต์ก็ไม่เหมือนเครื่องบินเครื่องบินไม่มีเครื่องยนต์นั้นมีไม้ทําเครื่องยนต์ไม่ได้ต้องชักโยกโยกไปโยกมาพอโยกแล้วปิดก็จะกระพือบินได้บรรยากาศ เมื่อทำเสร็จเขาบอกกับโคดี้อาจูมาาจนใกล้จะเสร็จแล้วแต่ยังไม่เสร็จตอนนี้ไปก็มีความสำคัญคอยครอบครัวตตมานำของกินของใช้มาด้วยเข้ามาเข้ามาในนี้เฉพาะครอบครัวเขาอึเขาบอกไม่ได้เพราะมีงานที่จำเป็นจะต้องช่วยกันเพราะลูกเต้าก็เป็นช่างงานละเอียดมากทาคนเดียวไม่ไหว ให้เมื่อครอบครัวเข้ามาแล้วนําอาหารตะเบียงกรางเข้ามาเสร็จเตรียมหนีก็ให้เข้าไปนั่งอยู่ในใ น, ในเท้าหงยน์ในที่สุดก็ขึ้นหงก็เฮ้หนีหอบไปในอากาศหงบินรปใอากาศเป็นลงที่ไปไปลงอิมวันตประเทศไอหิมวันตประเทศเวลานั้นก็มีคนเป็นกลุ่มกๆไปมีหัวหน้ากลุ่ม เพระว่าไม่มีกษัตริย์ขุนนายช่างมีบุญมากสามารถนั่งหงยนต์ได้ทํำหงยนต์ได้ออกะบรรยากาศแล้ก็ลงมาเขาคิดว่าคนนี้มีบุญมากจึะย่อร่างให้เป็นกษัตริย์นหนเมวันแต่ประเทศนี่ระ บ, บรรดาเจ้าพุทธบริษัทคําว่านิสัยนี่มันทิ้งไม่ได้กิเลสสามารถละได้นิสัยละไม่ได้ นิสัยของโพิราชู ม, มันเมื่อสมัยท่ายก่อนเป็นคนมีในิสัยเลวชั้นใดเห็นแจตัว ก, กินไข่นกกินลูกนกกินพ่อนกกินแม่นกชาตินี้ก็เช่นเดียวกันให้ในช่างทำงานแล้วก็จะค่าช่างเกรงว่าจะทำให้แก่คนอืน่นนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายขึ้นที่วรกฎขุงกรรมตอนนี้เวลามันยังเหลืออยู่ก็พูดกฎกรรมต่อไป จะมาคุยกันถึงเรื่องของคนขอฐานคือโกตุฮาิกะโกตุฮาดิกะนี่ในสมัยใช่ก่อนจะเป็นไงก็ไม่เอไปไว้ก่อนนะเอาชาตินี้ก่อนแล้วกันชาตินี้เธอเกิดมาเป็นขอฐานด้วยเป็นโลกเรืนด้วยในวันหนึ่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงยินดีใสย ขงโกโตุฮนิกะว่าจะเป็นปะโสดาบันก็ทราบว่าเธอจะไปขอทานตามเส้นทาง น, นั้นจึงได้เดินเทา้าเดินจึงไปเสด็จไปแล้วก็นั่งอยู่ระหว่างทางพระเจ้าตรวทับอยู่แล้วก็มีคนไปเฝ้ามาพระเจ้าก็ทรงเทศเวลานั้นก็เป็นเวลาพอดีที่โกโตุรนิกะ ไปเพื่ออยขอทานพดีเห็นองค์สมเด็จพระจินดารสิเทศก็นั่งอยู่ห่างคนองค์สมเด็จพระเทสกน์สมเด็จพระเทสกน์ก็ส่งบันดาลให้เสียงเขาองค์ฟังชัดเมื่อฟังเทศจบเธอก็เป็นประโสดาบันพระพุทธเจ้า ก, ก็คด็จกลับคนอื่นก็กลับโกตัฮอริกรขอโทษ สุภาพกุฏินะที่ลืมไปสุปาพุฒากุฏิก็กลับไม่ใช่โกตุฮิกาณนะเป็นสุภาพุฒกุฏิสุปาพุฒาน่ะเป็นชื่อกุฏิแปโลโรคเรือนขอทานที่มีโรคเรือนเขาจะปวดทราบด้วยว่าเวลาพูดเนี่ยมัมีหนังสือมาหรอกนะเขาแค่ความจํา เมื่อกลับมาถึงบ้านแล้วเธอก็มีความคิดว่าวันนี้เราฟังเทศเจากพระพุทธเจ้าเราเป็นปโสดาบันถ้าท้าพระพุทธเจ้าทรงทราบว่าคนอย่างเราหนึ่งเป็นขอฐานด้วยสองเป็นโลกรชนด้วยเป็นได้เป็ น, ปนได้เป็นปศุดาบันพระพุทธเจ้าคงจะดีใจมากก็ตั้งใจว่าพรุ่งนี้จะไปกราบถูนในทรงทราบ ว่าตนเองเป็นปโสดาบันขณะที่ออกจากบ้านจากที่อยู่ไอขอทานนี่กขที่อยู่ไม่เหญ่โตนักก็เดินไประหว่างทางกา็พอดีพรอินอยากจะลองใจจะลองดูว่าสุปวุธกุตินี่จะเป็นปโสดาบันจริงหรือไม่ก็ลอยลงมาขวางหน้าในภาพของพอระอินชัด ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงจึงถามว่าสุ ป, ปะที่เลื่อนคือว่าสุ ป, ปะพุทธกุติเธอจะไปไหนเธอก็บอกว่าฉันจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพระอิน์ก็ถามว่าเธอจะไปเฝ้าทําไมสุ ป, ปะพุทธก็ธสุ ป, ปะพุทิกุิสุ ป, ปะุทธกุฏิก็บอกว่าจะไปกราบถุนายสงทราบว่ามาวานิฉันได้ฟังเทศจากท่าน เวลานี้ฉันได้ประสดาบันแล้วพระองค์เขาเห็จพระประทีตแก้วสงสารจะได้ดีใจว่าคนเป็นโลกเรือนด้วยไปขอทานด้วยฟังเทศเป็นประสดาบันขอทอดเขาดื่มน้านิดนะพระอ ก, ก็อยากจะลองใจบ่าวภูปาบาุปบาพุทธะภปบาพุทธะกุธิ เธอหน้าเป็นพระโสดาบันแน่หรือเขาก็าต่อวันแน่ท่านแน่หรือไม่แน่อลองอย่างนี้ก็แล้วกันนะเวลานี้เธอเป็นขอทานมีความยากจนมากเช้าก็ต้องไปขอทานเย็นก็กลับเช้าก็ต้องไปขอทานเย็นก็กลับแต่ประการที่สองเธอก็เป็นโรคเรือนคันทั้งตัวเจ็บทั้งตัว ที่ลังเกียจของคนถ้าเธอพูดตามฉันพูดพูดเฉยๆก็ได้โดยไม่ต้องไม่ต้องตั้งใจเอากาพูดเฉยๆไม่ต้องตั้งใจนะทุกประพุทกุฏิก็ถามว่าจะพูดยังไงเอางี้ก่อนถ้าเธอพูดตามฉันพูดโดยไม่ต้องตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามฉันไม่บังคับ เ่อพูดเสร็จฉันจะบันดาลให้เราเรื่องเธอหายให้มีร่างกายสวยแล้วก็จะบันดาลทรัพย์ให้หลุดมาจากอากาศเธอจะเป็นมหาเศรษฐีในวันนี้ผ <c oughs> ู้ป่าผูทธากุฏิก็ดีใจถามว่าใจพูดว่ายังไงพี่อิ ก, ก็บอกว่าเอาพูดเฉยๆนะหนึ่งพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้า สองประธรรมไม่ใช่ประธรรมสามพระสงค์ไม่ใช่ประสงค์เอาแค่เนี้พ่อเฉยๆไม่ตั้งใจก็ได้เพียงแค่นี้ทูป่าอุทากุติฟังแล้วก็ไม่พอใจพระโสดาบันยังมีความโกรธก็ชี้หน้าพระอินทรอ ย, ยังถอยไปทําไมจะมาแนะนําถ้อยคําจังไรแบบนี้ตามธรรมดาพระโสดาบันในครรภ์พระพุทธเจ้าประธระะรมอริยสงฆ์จริงไม่สงสยัย ถ้ามีสินท้าบริสุทธิ์จองถอยไปเธอะว่าท่านบอกว่าเราคนจนเราจนแต่เพียงโลคิยาซักแต่อริยาซักก็มีมากสมแม้ว่าเราจะเป็นโรคเรื่อรังก็ไม่มีความหมายร่างกายไม่มีความหมายต่อไปเราจะมีความสุขมีสวรรค์ไม่นี้ไป มาพระอินทร์ทดลองแบบนี้แล้วฟังแบบนั้นก็มีความมั่นใจว่าสุปปาภูธากุติเป็นพระโสดาบันแนก่ก็หายไปท่านหายไปสุปปุภูธากุติก็ตั้งใจจะไปเฝ้าพระพุทธเจ้าแต่ไปไม่ทันถึ ง, ถงบรรดาท่านพุทธรวสัตย์ทั้งหลายว่าสุปปุภูธากุติคนี้สร้างกรรมชั่วไว้ตั้งต่ก่อนไหอยเจ้าร้อยชาติที่ผ่านมา ในร้อยชาติที่ผ่านมาในตุบาุทธกุติเป็นลูกมหาเศรษฐีเพราะกับเพื่อนอีกสองคนอีกสามคนนําหญิงโสเพณีเข้าไปในป่าแจ้งเธอว่าถ้าเธอบริการฉันตลอดวันฉันจะให้เงินหนึ่งพันกะห้าปณะคำว่ากะหาปณะสมัยนั้นเท่ากับสี่บาทแค่นิดหนึ่งตำลึงหนึ่งพันกะหาปณะเท่ากับสี่เท่ากับสี่พันตำลึง ถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็เป็นล้านหญิงนั้นก็ยอมเธอเป็นโสเนณีอยู่แล้วในเมื่อจะได้กระตังมากๆเธอก็ยอมในที่สุดเมื่อกิจการธำร ก, กิจต่อถึงตอนเย็นคนสี่คนก็มาปรึกษากันว่าในที่นี้ไม่มีใครไน่มีใ น, นป่าชัด เงินที่เราให้หญิงโซฟินีนี้หนึ่งพันกหาบณะเราจะเอาคืนมาและเครื่องประดับที่ให้เธอแล้วที่เธอมีอยู่เราก็จะเอาถ้าต่างคนต่างช่วยฆ่าเธอให้ตายการปรึกษาอย่างนี้บรรดาท่านผู้ตวิสัททั้งหลายหญิงคนนั้นได้ยินจึงมีความคิดว่าชายสี่คนนี้เลวมากให้เราเราบริการความสุขของเธอทึ้งรวลาตลอดวัน ยังก็ให้เงินแผงกหาบบณะจะเอาเงินคืนด้วยจเจ้าเครื่องประดับคืนด้วยจะฆ่าเราให้ตายถ้าเธอฆ่าเราเราจะรู้กฎกฏที่ทํากับเธอจะนั้นนั้นเมื่อเขาตกลงกันเสร็จเขาจึงลงมือฆ่าหญิงโสเภณีคนนั้นขณะที่เขากําลังฆ่าอยู่หญิงโสเภณีก็มีความรู้สึกว่า ถ้ายักษินีมีจริงขอเราจงไปเกิดเป็นนางยักษินีแล้วข้าชายทั้งสี่คนนี้ทุกชาติที่เกิดเป็นนั้นว่าสุกป่าพทกุกติไปเฝ้าพระเจ้าเสาวดันก็ไม่ทันจะถึงถูตนางยักษินีแปลงเป็นวัวไม่รู้อ่อนขิ่ตาย และเมื่อเขาตายไปแล้ ว, ขวเขาก็ทราบถึงองค์สมเด็จพระปฐทบเจ้าและรบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายพระสงฆ์ก็กราบทูลองค์สมเด็จพระจำใจว่าพันธุ์เทพระเขาวาข้าแต่องค์สมเด็จพระพุทธมีพระว่าจเจ้าผู้เจริญอยากจะทราบ ว, ว่าผลของการที่สุ ป, ปะพุทธกุฏิเป็นมระโสดาบันเป็นยังไงเพราะเจ้าข่าวมาตายไปแล้วพระเจ้าก็ตอบว่าอาศัยที่เขาเป็นมระโสดาบัน เวลานี้เขาเคเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ท่้นดาวเรืองเทวโลกวมิมานทองคําเป็นที่อยู่มีนางฟ้าหนึ่งพันเป็นบริวารถ้าก็ถามว่าเพราะกรรมอะไรเขาจึงเป็นโลกเรือนพระเจ้าก็ทรงตรัสว่าเพราะอาศัยที่เขาเห็นพระพักตร์พระเจ้าจงองค์หนึ่งท่านเป็นโลกเรือนนั้นก็ทนลำลายแสดงความดังเกียดเขาจึงเป็นโลกเรือนตลอดร้อยชาติ เขาถูกดังยักษ์ีข้ามาอย่างนี้สิ้นหนึ่งร้อยชาติแล้วนะทุกชาติเที่เเกิดมานายักษ์นีก็แปลวเป็นวัวไม่รอดผิดตายทั้งร้อยชาติที่ผานมาแล้วพระก็ถามต่อไปบอกว่าอาศัยกฎของกรรมเดิมของเขาที่ทําไว้เขาจะค้นกฎของกรรมไหมพระเจ้าบอกว่าในเมื่อเขาเป็นพระโสดาวัน กรรมใดๆที่ให้ผลเป็นอันนายบายภูมิย่อมไม่มีอีกมันหมายความนางยาักเสนีก็ฆ่าทุปปะพุทธกุติกัเพื่อนได้แค่ร้อยชาติจากชาตินี้ไปแล้วก็หมดกันเป็นนว่าเขาเป็นมโสดาบันแล้วก็พ้นอันนี้แต่บรรดาญาติโยมพุทธศาสน์ี่ก็จนทั้งหลายเสียงก็ไม่ดีมันหน่อยมากก็ยังไม่สบายเตราะนาชื่อมากดคองกรรมนิดหน่อย นแคเพิ่งคิดเล็กน้อยมันย่อมให้ผลทุกอย่างกรรมดีก็ให้ผลกรรมดีให้ผลเขาเป็นโสดาบันเขาเป็นเขาไปเป็นเทวดาแต่กรรมชั่วที่ทาํามาจะถูกนักญาตถูกน้องญกติเนรฟิตแปลงเป็นวัวไม่เราอ่อนฟิดตายท่านหลายก็เช่นเดียวกันเวลานี้เราลองจะทํากรรมดีคือสนับสนุนองค์สมเด็จพระสัมพพระบาทสมเด็จพระจุลจอมกลเจาอยู่สมเด็จพระบรมร า, มารชินนาถ ร่วมทางกับท่านท่านทําที่ไหนเราไปไม่ได้จะฝากเงินไปกับท่านการทั้งหลายที่เป็นกรรมดีทั้งหลายทั้งหมดจะปรากฏกับเราต่อเมื่อพอต่อไปในภายภาคหนา้าอันบรรดาธนหลายเวลาหมดแล้วข้อลาก่อนขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนามงคลสมบูรณ์ผลผ ล, ผลจงมีเดีบรนดาธรรมพุทธศาวนี้กระจนบรกภัณฑทุกท่านสงบดี